วันนี้เป็นวันพระผ่ากันสมาทานสิ้นไหวพระกันเสียก่อนนะมีความทุกขกันทุกคนพิจารณาดูดีๆนะทั้งพระทั้งชีพิจารณาปฏิสังขายู่พิจารณากายพิจารณาใจพิจารณาความอยากความหิวกะประมาณในการคบฉันองตัวเราเอง ตากระทบรูปใจเกิดความอยากหรือไม่ไปพยายามดูพิจารณากับประมาณในการควบฉันถ้าใจเกิดความอยากก็ให้รู้จักควบคุมรู้จักดับกายเราหิวก็ให้รับรู้ว่าหิวจะเอาอาหารมาให้กายก็พิจารณาใจก่อนกะประมาณในการควบฉันน้องกลัวเราเองถ้าใจเกิดความอยากก็ให้รีบดับ ถ้ามันดับไม่ได้ก็ให้ผ่านเลยไปผ่านเลยไปแล้วใจของเรายังเกิดความอะไรอวร์อยู่หรือไม่เราก็รีบดับอีกพิจารณาดูรู้ใจตั้งแต่ตื่นขึ้นตั้งแต่ยังไม่ได้ลูกจากที่พอตื่นขึ้นรู้ตัวปุ่งรู้ลมหายใจปับ๊บรู้ความปกติของใจจะลุกจะก้าวจะเดินรู้มีความรู้สึกรับรู้อยู่ อย่าพากันปล่อยวันเวลาทิ้งรูกายรู้ใจทุกขณะจิตทุกขณะลมหายใจเข้าออกอะไรควรทำก่อนอะไรควรทำหลังอะไรควรดำเนินไม่ใช่ว่าไปปล่อยปะละเลยกิเลสเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราก็รีบรับเราอยู่ด้วยกันหลายคนหลายท่านมาจากคนละทิศละที่ ก็ให้ต่างคนก็ต่างปราิถนาที่จะหาทางดับทุกข์หาทางหลุดพ้นอยู่ด้วยกันหลายคนผาละทางสมมุติก็เพิ่มขึ้นให้มีความสมัรสมันสมัคีกันทุกเรื่องจึงจะตื่นขึ้นที่พักที่อาศัยที่หลับพี่นอนก็ดูแลทำความสะอาดให้เป็นระเบียบตั้งแต่ปากทางเข้ามาหาถึงก้นครัว มองบนมองล่างมองกลางใจของเราไม่ใช่ว่าอันนู้นก็ไม่ใช่นาทีของเราอันนี้ก็ไม่ใช่หน้าที่ของเร า, นน า, เราคิดอย่างนั้นคิดผิดทุกอย่างเป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบร่วมกัน อ, อะไรผิดพลาดก็รีบแก้ไขเสียล้มแล้วลุกขึ้นใหม่แก้ไขใหม่ปรับปรุงตัวเราใหม่ การที่มาอยู่รวมกันนี้บางคน <c oughs> ก็เบาบางกิเลสเบาบางบางคนก็กิเลสหนาะบางคนก็สร้างบุญมาดีบางคนก็มาสร้างไหม่เราพยายามมาแก้ไขปรับปรุงตัวเราผิดพลาดแก้ไขใหมนี่ล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่ไม่ใช่ว่าจะไปโทษคนโน้นไปโทษคนนี้จงโทษตัวของเราเองแก้ไขตัวของเราเอง กิเลสเกิดขึ้นที่ใจเราก็พยายามละที่ใจพระเราก็เหมือนกันขีเราก็เหมือนกันทั้งพระทั้งขีทั้งสามะเณรทั้งเราวาดญาติโยมก็มีใจเหมือนกันหมดความปรารถนาเดิมความปรารถนาที่จะหาทางดับทุกข์หาทางหลุดพ้นไม่ใช่ว่ามาเพิ่มทุกข์มาอยู่ด้วยกันก็อิจฉาลิษยา อาคติเพ่งโทษคนโน้นเป็นอย่างงั่นคนนั่นเป็นอย่างนี้นี่ถ้าใครมีกิจเป็นมลทินก็นาบาับว่าต้องแก้ไขอย่างเร็วไวอย่าไปปล่อยให้กิเลสเขาเล่นงาน <c oughs> กิเลสหยาบบ้างกิเลสละเอียดบ้างเราอาจจะได้ยินชื่อคําว่ากิเลสแต่หน้าตาอาการของเขาเกิดอย่างไรไม่เคยรู้ทันเลยพอกําลังสติเข้า ไปดูดูแลแก้ไขไม่ทันเขาเล่นงานเอาใช้จนไม่เกลี่ยที่ก่อนทั้งโลกความโลภบ้างความโกรธบ้างความอยากบ้างความทะเยทยานอยากอยากในรูปในรสในกลิ่นในเสียงอยากมีอยากเป็นไม่อยากมีไม่อยากเป็นกิริยกิเลสอยากบ้างละเอียดบ้าง ในส่วนลึกๆ ก, ก็คือความเกิดความเกิดของใจถ้าไม่หลงก็ไม่เกิดใจนีมาสร้างขันห้ามาสร้างกายเนื้อขึ้นมาเป็นรูปร่างมนุษย์จึงเรียกว่าพบมนุษย์นี่ความความหลงความหลงตัวที่หนึ่งคือความเกิดถ้าไม่หลงก็ไม่เกิดความหลงชั้นที่สองอีกมาสร้างขันห้าปิดกั้นตัวเองอีกมา สร้างขันห้าอัตภาพร่างกายขันห้าของเรามาปิดกั้นตัวใจอันนี้หลงชั้นที่สองอีกหลงชั้นที่สมอีกหลงอัตตาตัวตนไปยึดมายึดติดตัวตนหลงชั้นที่สอีกเป็นหลงสมมุติหลงในลาบในยศในเสลเสริญโฉกทุกอย่างหลงในชั้นละเอียดลงไปเรื่อยๆลงเป็นธาตุของกิเลสอีก กิเลสก็มีทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดหลงหลชัดจริงๆบุคคลมีบุญก็จะคอยขัดเกลวะกิเลสออกจากใจของเราละได้บังไม่ได้บังเพราะพยายามละพยายามขัดพยายามเกลา อ, อ, อะไรคือสติปัญญาที่สร้างขึ้นมาลักษณะของใจที่ไม่มีกิเลสเป็นอย่างไรใจที่ไม่เกิดเป็นอย่างไรลักษณะของใจที่คลายจากขันห้าเป็นอย่างไร เราต้องสำรวจตรวจตาให้รู้แจ้งเห็นจริงเป็นแค่เรื่องความอยากอยากในอาหารก็ยังแก้ไขไม่ได้อยากมีอยากเป็นอยากเกิดสรรพัดอย่างมันจะเข้าถึงซับภายในได้อย่างไรนี่เราก็ต้องพยายามยิ่งมาอยู่ร่วมกันหลายคนหลายท่านนี่ก็พยายามสร้างความรับผิดชอบสร้างความธรรมะมานสามัคมคีให้ดีมีอะไรก็ช่วยกันทำ เรื่องทางโรงครัวโรงทานก็เหมือนกันโรงครัวนี่หนักคนทามีน้อยคนจินมีเยอะคนดูแลทำความสะอาดก็มีน้อยคนปล่อยปะละเลยก็มีเยอะเราก็ต้องพยายามมีอะไรก็ให้ช่วยกันช่วยกันดูแลช่วยกันแก้ไขช่วยกันพิจารณาไม่ใช่ว่าไม่ใช่งานของตัวเราเป็นงานของทุกคน งานของทุกคนเราพิจารณาแก้ไขดำเนินอย่างไรทางโรงครัวโรงทานของเราถึงจะมีพออยู่พอกินไม่ได้ลาบากมันมีให้อยู่ให้กินให้ทำก็นับว่าดีมีให้อยู่ให้กินให้พักที่พักที่อาศัยที่หลับที่นอนก็เป็นอนิสงส์ที่ดีแล้ว เราก็มาพัฒนาต่อมาแก้ไขโตอะไรที่ไม่ดีก็พยายามละพยายามขัดเกลาอะไรที่มันดีก็พยายามทําทําช่วยกันไม่ใช่ว่าไอ้กูทํามึงไม่ทําของกูของมึงงานนี้ผิดเราต้องมีอะไรก็ให้ช่วยกันแก้ไขร่วมกันีช่วยกันทำํำถึงจะลําบากก็อดทน อดทนอดกลั้นขยันมันเพียนเรามาก็มากันคนละทิศละที่ละทางอะไรที่พักที่อาศัยที่หลับที่นอนที่อยู่ที่กินห้องทวัวห้องน้าเราก็ต้องอาศัยสมมติตรงนี้อยู่เราก็พยายามอะไรติดขัดเราก็รีบแก้ไขไม่ใช่ว่าไปปล่อยปละเลยยังแค่งานสมมติภายนอกก็ยังทำความเข้าใจไม่ได้ ใ, ใจของเราจะไปห ล, ลุดพ้นได้อย่างไงต้องเป็นบุคคลที่มีความเสียสละมีความเพียรเป็นเลิศมีการขัดเก่ลอกออกเป็นเลิศทําความเข้าใจกับภาษาธรรมภาษาโลกภ า, าษ า, า, า, าธรรมเป็นอย่างนี้ภาษาโลกเป็นอย่างนี้การเจริญสติปัญญาที่ต่อเนื่องการอบรมใจเป็นอย่างนี้บุคคลผู้รู้เขาจะอบรมใจตัวเองอยู่ตลอดเวลา ใจที่ปราศจากกิเลสใจที่คลายจากความยึดมั่นถือมั่นใจที่แยกรูปแยกนามำาคำว่าขันห้าหน้าตาอาการเป็นอย่างนี้ ใ, ใจส่งไปภายนอกหลักของอริยสัจว์่เป็นอย่างนี้การดับการละการเจริญพรมเบียหารมันก็ต้องมีหมดเพราะว่าคนเราก็ต้องอาศัยสมมุติเหมือนกับต้นไม้ อาศัยอาหารอาศัยปุ๋ยอาศัยเปลือกอาศัยกระพี้อาศัยแก่นถึงอยู่รวมกันได้ไม่ใช่ว่าจะเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งหนึ่งการขึ้นบนตัวเรือนก็เหมือนกันก็อาศัยลูกบันไดอาศัยราวบันไดอาศัยความเพียรของการเดินให้ถึงจุดหมายปลายทางคือตัวเรือนเมื่อเข้าถึงตัวเรือนแล้วเราก็ปัดกวาดทําความสะอาดตัวเรือนของเรา จะขึ้นจะลงก็หลงด้วยปัญญาก็ยังอาศัยบันไดมอนเดิมการปฏิบัติใจก็เหมือนกันความอยากความเกิดแม้แต่นิดเดียวก็อย่าให้เกิดขึ้นที่ใจถ้าเรารู้ความจริงการเกิดการปรุงการแตง่งการส่งใจไปภายนอกเราพยายามแก้ไขตัวเราหนุนกำลังสติปัญญาไปเกิดเกิดเฉเพราะสิ่งที่เป็นกุศลอกุศลเราก็ไม่ให้เกิด อย่างในน้อยก็ให้อยู่ในกองบุญเอาไว้ก็ยังดีกองบุญทั้งทางชมุติทั้งทางพิมพติอย่าพากันไปมัวมเมาเล่นสนุกสนานกันให้มีความสุขในการดูแลใจอบรมใจของเรากิเลสของเราเราก็พยายามละไม่ใช่สนองกิเลสตัวเองแล้ววิ่งตามกิเลสคนโน้นคนนี้อย่างนั้นก็ใช้การไม่ได้ชีเราก็เหมือนกัน ทำกับข้าวกับปลาก็ช่วยกันมีอะไรก็ให้ช่วยกันแบ่งภาระหน้าที่กันทำส่วนมากก็ส่วนมากมาก็ที่ไปเห็นไปเห็นหอยู่ผู้หญิงนี่อยู่ด้วยกันสองคนก็ไม่ถูกกันว่าอย่างนั้นทะเลาะบบกแวงกันอยู่ที่นี่คงไม่มีโน่ถ้ามีแล้วก็ให้แก้ไขเหมือนกับหลายปีที่ผ่านมา S <S <an> ไปเจอแม่ชีสองคนสองสองค์2สองคนชีคนหนึ่งก็อายุ7กตกว่าชีคนหนึ่งก็อายุส5บห้าอแม่ชีหบวชตั้งแต่ออกปสี่ <S an> บวชได้หลายปีสีหาปีพอแม่ชีอายุมากคนอายุมากมาเพิ่งบวช ก็เลยมาถกเถียงกันทะเลาะกันอยู่สองคนคนอายุมากก็ว่าฉันต้องเป็นใหญ่เพราะว่าเกิดก่อนเกิดทางสมมตินั้นเกิดก่อนไม่ฉี่น้อยก็เลยบอกฉันต้องเป็นใหญ่ดูแลพ่อฉันบวชก่อนของเงิน ในหลักธรรมเราก็ต้องให้บุคคลที่บทก่อนทำความเข้าใจบุคคลที่บทก่อนก็ต้องเป็นบุคคลที่มีพรหมจรรมีความเมตตามีความเจสระถึงจะปกครองหมู่คณะได้ได้ยินขา่าวไม่ขีหลายที่อยู่บางทีก็โกรธให้กันก็เอาสาเกเบือทั้งหมอ้อทั้งอะไรไล่ไตีกัน วิ่งใส่กันว่าใส่ให้มันหายไปเลยมันจะได้หายโกรธว่างั้นนะได้ยินข่าวมีอยู่ทางแม่ชีอีกกลุ่มหนึ่งก็ไปโกรธให้กันใหม่ๆก็ดีกันดีๆไปปลูกฟิกปลูกม่ะเขือปลูกมันละกอร่วมกันรถร่วมกันทําอพอมันละกอจะให้ออกดอกออกผลผักจะให้ออกดอกออกผล โกรธให้กันแล้วทีเนี่ยโกรธให้กันก็ยังไม่พอพอโกรธให้กันแล้วจะหนีไล่กันหนีก่อนที่จะหนีก็มาเขือกูปลูกก็ไปถอนทิ้งหมดผักกูปลูกก็ไปถอนทิ้งหมดเมื่อเรากอปลูกก็ไปถอนทิ้งหมดกูไม่อยู่มึงก็ไม่ต้องกินโมนะอยู่ที่นี่คงไม่มีโนหรือว่ามีอยู่เห็นปลูกผักกันเยอะอยู่ อยู่คงไม่มีพยายามแก้ไขตัวเราประปรงตัวเราให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นอยู่ที่ไหนถ้าเรารู้จักให้อภัยอโหสิกรรมซึ่งกันและกันเราก็อยู่ดีมีความสุขยิ่งอยู่หลายคนงานหนักก็เป็นงานเบ า, ง า, เบางานเบาก็แทบจะไม่มีอย่าไปแย่งกันทําให้ให้ช่วยกันทําให้ช่วยกันทําแล้วก็รู้จักพิจารณารู้จักประหยัดมัธยัต ทุกอย่างนั่นแหละให้ประหยัดมัธยัตยต์ทั้งน้ําทั้งฟืนทั้งไฟทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ก่อนยิ่งลําบากยิ่งลําบากที่พักก็ยังยากอาหารการอยู่กันกินก็ลําบากแม้แต่ถ้วยชามก็ยังไปขุดอาจามลุมศพมาไว้ใส่กับข้าวกับปลาจะทานอาหารดีๆสักอย่างก็ยากลําบากจะหาคนเดินเข้ามาในวัดก็ลําบากจำหม่สามสบกว่าปี เดี๋ยวนี้ทุกวันก็มีพร้อมที่พักก็พร้อมที่อยู่ที่อาศัยอาหารการอยู่การกินความเป็นอยู่ก็ไม่ได้ลําบากเทวดาท่านก็ไม่ให้ลําบากมันมีพร้อมแล้วเราพยายามขัดเก่ากิเลสของเราออกให้มันหมดจดมันมีเวลาไม่ต้องไปดิ้นรนแสวงหาไปยังสมมุติอันนั้นก็ขาดอันนี้ก็ขาดอันนี้ก็มีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างในทางสมมุติ เหลือแต่ทางด้านจิตใจเราก็พยายามแก้ไขพยายามแก้ไขจิตใจของเราอีกสักหน่อยก็ต้องในพัดภาคจากการ ไม่ได้พัดภาคจากกันตอนเป็นก็ต้องไในพัดภาคจากกันตอนตายพอเป็นกฎของใจลักขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่เราก็พยายามสร้างความสมัครสมันสมัคคีแก้ไขตัวเราปรปับปรุตัวเราอยู่ตลอดเวลาการฝึกหัดปฏิบัติก็จะได้เจริญก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆคําสอนของพระพุทธองค์นั้นมีมานาน เราพยายามโน้มเข้าไปใส่ใจของเราการขัดเก่ากิเลสเป็นอย่างนี้การควบคุมใจการอบรมใจเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าตามใจของกิเลสกิเลสตัวเองก็ไม่แก้ก็ไปตามใจกิเลสคนโน้นคนนี้มันก็แย่ทั้งคู่ก็ต้องพยายามแก้ไขตัวเราปรับปรุงตัวเรามีอะไรก็ให้ช่วยกันทํามีความสมัครสมานสมัคคีทางโรงทานด้วยโรงครัวด้วย พระของเราก็เหมือนกันวันนี้ทั้งพระทั้งสัมเณีมีโอกาสเอาต้นเอาต้นชมพูพันทิบที่หลวงพ่อให้เขาเอามาส่งเอาไปปลูกที่ลานหลวงลานหลวงพ่อลานพระปางดีลาเอาไปปลูกแซมต้นสาระที่อยู่ในหลุมนั่นแหละปลูกแทนปลูกแซมทุกหลุม ใ ห, ให้แซมหลุมละต้นละต้นละต้นเผื่อว่าวันข้างหน้าต้นสาระตายไปต้นชมพูพันทิพย์ก็จะได้ขึ้นแทนเอาไปปลูกข้างๆนั่นแหละขุดลงสักนิดหน่อยแล้วก็ปลูกปลูกให้มันแฉมขึ้นไปเผื่อเอาไวา้เผื่อตัวตายตัวแทนพอต้นสาระอายุไข่เขาหมดเขาก็จะแก่ไขตายลงไปเหมือนกับพวกเรานี่แหละเพราะเป็นไม้ยืนต้นที่ไม่แข็งแรงเท่าไหร่ ปลายแห้งทุกปีต่อไปข้างหน้าก็คงจะอายุไม่ยืนเพราะว่าเอามาปลูกหลายร้อยหลายพันก็เหลืออยู่รอดไม่เท่าไหร่เอาต้นชมพูพันธุ์ที่ไปปลูกมีโอกาส เราก็ปลูกทิ้งเอาไว้ต่อไปในหปีส0ปีข้างหน้าต้นโตเท่าไหร่ยิ่งออกดอกสวยงามเป็นบุญเป็นอณนสงฝากเอาไว้ให้กับสถานที่ฝากเอาไว้ให้กับคนรุ่นหลังมีโอกาสเดือนหน้าเดือนพฤษภาก็มีโอกาสไปปลูกอีกหลวงพ่อได้สั่งไอ้ต้นชมพูฟันทิพต์ต้นกันละประพฤกเอาไว้ตั้งส4มสี่หมื่นกว่าต้นซื<ม>้อเอาไว้ให้ไปปลูกที่ปักธงชัย เผยไปปกกระว่าที่ประมาณ500กว่าไร่จะให้เป็นดงดอกไม้ให้เป็นดงประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเลยต่อไปในวันข้างหน้าที่จะไปสร้างเจดีย์ที่ปักธงชัยที่ทำเดี๋ยวนี้ไปตัดถน น, นหนทางถมที่เจาะเอาให้หน่วยเจาะเข้าไปเจาะดินปเทศไปตรวจดูสภาพดินหมดแล้ว เี่ยนีก็ประมาณวันที่เก้ า, าพุทธภาก็จะได้ให้วางศิลาฤกษ์แล้วก็จะได้ปลูกต้นไม้ไปด้วยหน่วยงานต่างๆก็จะได้ไปช่วยกันปลูกทั้งโรงเรียนทั้งญาติโยมต่างๆจะทำให้เป็นแหล่งบุญของประเทศไว้ในอีกกองหนึ่ง ในวันข้างหน้าสิบปีข้างหน้านี้ก็คงจะทุกคนก็ต้องได้ไปไปชมดอกไม้ไปไหว้พระบรมสารีริกธาตุอยู่ที่ปักทุงชัยไปกะไปหลวงปู่ใหญ่ที่ไปสร้างเอาไว้สามปีกว่าเดี๋ยวนี้ที่นั่นก็ญาติโยมก็เข้าไปสักการะบูชาไปปฏิบัติธรรมกันเยอะทั้งพระทั้งโยมทั้งชีวันที่ก้าวเจะได้บวชอีก30กว่ารูป ถามสิบกว่าองค์บวชถวายให้หลวงพอ่อมีโอกาสพวกเราก็จะได้เห็นกองบุญกองใหญ่ที่นนทอีกมีโอกาสจะได้ไปปลูกต้นไม้เอาไว้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนมีโอกาสทำเราทำมีโอกาสสร้างเราสร้าง เอาไว้ให้เป็นประโยชน์ขณะที่ยังมีลมหายใจอย่าไปเกียจคร้านให้ขยันมันเพียนทั้งภายนอกทั้งภายในมันไม่ดีแก้ไขใหม่ล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่แก้ไขใหม่ปับปรุงตัวเราใหม่อยู่ตลอดเวลาก็าจะเป็นบุคคลที่ใกล้ถึงฝั่งฝั่งคือพระนิพาน หรือว่าความบริสุทธิ์ของใจถราบใที่เราเดินให้ถูกที่ถูกทางเราก็จะไปถึงจุดหมายได้เร็วได้ไวสมมุติบุญภายนอกเราก็สร้างให้เต็มเปี่ยมทั้งภายนอกภายในก็ยังควบคู่กันไปเพราะว่าใจก็มาอาศัยกายอยู่กายของเราก็อาศัยโลกธรรมอาศัยปัจจัยสีเหมือนกับต้นไม้ก็ต้องมีเปลือกมีกระพี้จะเ อ, เอาตั้งแต่แก่นก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องอาศัยกันอยู่ก็ต้องพยายามสร้างบุญงามความ ดีให้เต็มเปียมขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่ก็ต้องพยายามะนะอาตั้งใจรับผนังกันขอให้ทุกคนทุกท่านงจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สำพันทั้งลมหายใจของตัวเราให้ชัดเจนให้ชํำนาน ทั้งจะตื่นขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวที่ต่อเนื่องกันแล้วหรือยังหรือว่าตื่นขึ้นมาไม่รู้ว่ามันคิดไปอย่างไรบางสารพัดอย่างความคิดเกิดขึ้นมาได้อย่างไรใจส่งไปแฟน อ, อกได้อย่างไรอันนี้มีกันเต็มเปี่ยมทุกคน แต่ความรู้ตัวนี้เราต้องพยายามสร้างขึ้นมาแล้วก็ให้ต่อเนื่องแล้วก็ไปใช้การใช้งานจนใจของเราจนเห็นใจของเราคลายออกจากขันห้าหรือว่าแยกรูปแยกนามเห็นการเกิดการดับป้องกันหาเข้าใจในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าใจในคำสอนของพระพุทธองค์ถ้ายังแยกแยะไม่ได้มันก็อยู่ในแค่การทำบุญให้ทาน กับความหลงหลงคิดหลงเกิดบางคนก็กิเลสเาบางบางคนก็กิเลสหนาะบางคนกเ็เกือบจะ เ, เข้าถึงการแยกรูปแยกรามเราก็ต้องพยายามดําเนินตามความสอนของพระพุทธองค์ให้ถึงจุดหมายปลายทางกันไม่ถึงชาก็ต้องถึงเร็วไม่ถึงวันนี้ก็ถึงพรุ่งนี้เดือนนี้เดือนหน้าปีหน้าไม่ถึงจริงๆจีไปรต่ออาพบหน้าเพราะว่าถ้าการสร้างสะสมคุณงามความดีสร้างสะสมบุญเป็นข้าพกเข้าหอติดตามตัวเราไป จะได้ไม่ได้ลำบากก็ต้องพยายามกันนะพยายามให้มันถึงขนาดที่ยังมีลมหายใจขณะที่อยู่ภพของมนุษย์นี่แหละที่ท่านเรียกว่าภพของมนุษย์คือกายเนื้อขันห้า ท่านว่าเป็นกองเป็นขันแต่รวมกันเป็นก้อนเนื้อมีวิญญาณอยู่ในก้อนเนื้อหรือว่ามีวิญญาณอยู่ในกายของเรามันสลับทับช้อนถ้าเราไม่เจริญสติเข้าไปคีดเหตุ cht, ที่ผลเห็นเหตุเห็นผลกายทําหน้าที่อย่างไรทวารทั้งหทําหน้าที่อย่างไรตาทําหน้าที่อย่างไรจมูกทําหน้าที่อย่างไรกายทําหน้าที่อย่างไรวิญญาณทําหน้าที่อย่างไรเราต้องแยกแยะให้ได้เราถึงจะเข้าใจแยกแยะได้ตามดูได้ ถ้าขาดการละชี้เหตุที่ผลใจก็ไม่สะอาดอีกเราก็ต้องพยายามที่พวกเรามาวัดมาทำบุญให้ทานจุดมุ่งหมายก็เพื่อจะละความตเนี่ยเหนียวแน่นละความโลภความ โ, โลกรธอกอกจากใจของเราละลกิเลสอ er, อกจากใจของเราจะเป็นลกลิเลสฝ่ายดีคือฝ่ายกุศลในหลักธรรมเราต้องทำความเข้าใจให้รู้เรื่องหมด ว่าการปล่อยการวางอยู่ที่ไหนตรงไหนจุดปล่อยจุดวางตรงไหนเราจะขัดเกาอย่างไรไม่ใช่พอกพลกิเลสให้เล่นงานเรา เราต้องแก้ไขตัวเราก็ต้องพยายามกันนะล้มลุกขึ้นใหม่แก้ไขใหม่ปรับปรุงตัวเราใหม่มีไม่มากรอกกิเลสมันก็อยู่ที่ใจนั่นแหละอยู่ในกายของเรานี้แหละพยายามค้นคว้าดออูอยู่ในกายของเราอยู่ในใจของเราไปค้นคว้าภายนอกนั้นก็เป็นแค่เพียงรูปแบบเป็นแค่เพียงแ น, นวทาง ร, ารู้จักวิธีการแนวทางแล้วก็ทําความเพียรกายวิเวกเป็นอย่างนี้ใจวิเวกเป็นนี้ใจที่วิเวกจากกิเลสวิเวกจากการเกิดเป็น อย่างนี้กำลังทติที่ต่อเนื่องประหัตประหารกิเลสเป็นดังนี้การทําความเข้าใจมีหมดอยู่ในกายของเราถ้าเราขาดความเพียรแล้กวก็เล่นงานเอานั่นแหละกิเลสก็ต้องพยายามอาสร้างความรู้ตัวให้เชื่อมโยงให้ต่อเนื่องกันักนิดนึงก็ยังดีดีกว่าไม่ได้ทำนะอ้ะาวกันไหวเพราะพร้อมๆกันก็ไปสร้างสรรค์โตะทําความเข้าใจให้รู้ทุกเริยอบท